เรามีสติที่มันแจ่มชัดมันก็เห็นกายชัดแล้วก็เห็นความรู้สึกในใจชัดไปด้วยถ้าสติของเรามันแช่เชื่อเลยหลงไปมันก็เห็นอะไรไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นกำลังสติที่มันแจ่มชัดรู้ชัดอันนี้จะเป็นสิ่งที่จาเป็น สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่ต้องการความพ้นทุกข์ทีนี้การที่เราได้มีโอกาสมาหลีกเล่นมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแบบนี้ถ้าเปรียบเป็นทาหารก็คือเราอยู่ในสนามสนามซ้อมนะเราอยู่ในเหมือน คนเรียนรอดอเข้าไปเขาก็จะให้เริ่มตั้งแต่ฝึกเข้าแถวใช่ไหมเข้าแถวให้เป็นระเบียบสั่งซ้ายหันขวาหันแล้วก็พอนั่งก็เริ่มที่จะออกค่ายตอนปลายปี่้ช่ไไปเรียนรู้วิธีการใช้อาวุธใช้ปืน ว, วิธีรร ว, าา ว, วิจัการรบในเวลากลางวันก็ทําอะไรกันบ้างวิธีวิจัการรบในเวลากลางคืนทํำยังไงผลุมข้าวยังไงอย่างนี้ต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนสู้กันจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนแหละมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากมายกว่านี้แต่แน่นอนแหละถ้าเกิดไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเลยเนี่ยเจอหน้างานก็งง โดยเฉพาะสภาพจิตใจเราก็จะไม่ได้ไม่ได้เตรียมพรนะ้อมนะในทันที่เราเคยได้ฝึกพิหัดอยู่บ้างเนี่ยพอไปเจอหน้า ง, งามอย่างน้อยๆมันก็ยังพอกุ่นใจว่าเรายังพอมีทักษะอยู่บ้างอันนี้ก็เหมือนกันเรากลับไปแล้วเนี่ยเราก็เอาทักษะที่เราได้จากข้อปฏิบัติธรรมสนามซ้อมอันนี้เนี่ยเอาไปใช้ กอาไปใช้เลยกับในสนามจริงคือชีวิตการงานชีวิตข้างนอกแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้าเราอยากจะสู้ให้มันกลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์ที่มันลดลงความสุขที่มันมากขึ้นเราก็ไม่ได้สู้อะไรเยอะเราสู้แค่วันเดียวบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับโอ้โห มันอีกยาวไกลถ้ายิ่งมองไปถึงแบบมันจะสู้ยังไงชาตินี้สู้ไม่จบก็ต้องมีสู้ชาติหน้าต่อต่อต่อไปเมื่อไหร่มันจะจบอย่างนี้ก็ดูโอ่เน้นนานยาวไกลเหลืเอเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเอาหลักๆคือสู้แค่วันเดียวเท่านั้นเองเพราะว่า ก็อย่างที่บอกไปกิจวัตรประจำวันเนี่ยแต่ละวันแต่ละวั น, วนมันไม่ค่อยต่างกันมากเรามีแพทเทิร์นในการดำานงชีวิตมันซ้าๆอ่ะวันนี้ก็ซ้ากับเมื่อวานเมื่อวานก็ซ้ากับเมื่อวนซืมันจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแพทเทิร์นชีวิตเนี่ยมันก็ไม่บ่อยอครั้งหรอกแต่ถึงจะเปลี่ยนแพทเทิร์นชีวิตอยู่บ้างอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนจังหวะเวลา การใช้ชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาดีไซน์ใหม่ก็ได้แต่หลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็จะซ้ำๆเก่าอันแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราสู้เราก็สู้แค่วันเดียวพ อ, อสู้ให้มันชนะแค่วันเดียวได้ก็ถือว่าสู้ชนะได้ทุกวันะะนั้นเราไม่ได้วางแผนลบอะไรเยอะแยะ ความแปรบแค่วันเดียวให้มันดีอย่างบางทีเวลาเราพักก่อนเราส่วนมากเราก็จะใช้อะไรใช้เวลาไปกับบางคนชอบดูหนังใช่ไหมก็ไปดู n น t f l i x บางไปดูยูทูบบางไปฟังเพลงบางหรือบางคนที่สายกินเนี้ย ้าไปตัวเองกินไม่ก็ทำกับข้าวกินที่บ้านานี้หรือบางคนสายออกกำลังกายก็ไปออกกำลังกายบางคนเ็นโยคะบางคนไปไปตีแบดไปวิ่งอะไรเงี้ยดีอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการใช้เวลาพักผ่อนในยามว่างทั่วไป อันนี้แบบว่าสายปกติยังไม่ได้สายแบบเรียกว่าสายกิเลสมากๆถ้าสายกิเลสมากๆใช้เวลาอย่างเงี้ยถ้ไปไปโกงเงินถึงเวลาก็าไปกินเหล้ามองยาปาร์ตี้ไปอันนั้นก็ยิ่งไม่ดีอันนั้นให้กิเลสมันชักจูงไปแบบสุดโต่งเลหรือบางคนนอกจากจะเฮฮาปาร์ตี้ไปแล้ว กินแล้วมยาแล้วก็เอาเรื่องเป็นนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายไปด้วยน้องใจคู่เราเข้าไปเพิ่มเติมไปอีกอันนี้ก็ยิ่งนะทางเสื่อมเป็นทางเสื่อมเลยโอกาสที่มันจะสู่ชนะมันก็แทบหาไม่เจอนะถ้ายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่โอกาสที่มันจะจบ อาจภาพนี้แล้วไปอาจภาพใหม่ได้อยู่ในสถานะที่มันอยู่ในทุกขติมันก็โอกาสสูงทีนี้เราอยู่ในเคสที่มันก็คุณไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามคนระัตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่เรามาเริ่มต้นดีไซน์กันใหม่ใช่ไ นี้เราเริ่มต้นจากการที่เรามาอยกแยะก่อนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพระเาก็ตรัสเอาไว้ว่ากรอบเนี่ยมันก็มีอยู่คร่าวๆนะก็คือสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ทำการใช้ชีวิตนะสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ทำแล้วเราก็ทำสิ่งดีๆพอทำสิ่งดีๆแล้วเราก็ มาดูแลจิตใจด้วยให้จิตใจเรามันผ่องใสเราะนั้นเวลาประกาศพระศาสนาเนี่ยพระเจ้าขจึงบอกว่า เ, าเวลาที่จะเป็นกรอบในศาสนานี้เนี่ยคำสอนในศาสนานี้เนี่ยก็พูดอยู่ประมาณนี้ก็คือสัพพะ ป, ะปะสะัสสัตการนังก็คือไม่ทำความชั่วทั้งปวงก็คือทั้งปวงน อย่างมาทำป่วนก็คืออะไรที่มันไม่ดีไม่ทำทั้งหมดแล้วก็กุศลสู้ประเสริฐคาถาก็คือทำความดีให้มันถึงพรองแล้วก็ตกด้วยว่าสจิตตปริโยรปัณละก็คือการทำจิตใจให้มันผ่องใสอันนี้ก็คือกรอบคำสอนซึ่งมันก็อาจจะดูเป็นสามหัวข้อนะ จริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันมันเหมือนลูกเต่าอะลูกเต่ามันมีก้อนเดียวใช่ไหมแต่มันมีหกหน้าเลขหนึ่งถึงเลขหกอั น, นี้ก็เป็นอันเดียวมกันแต่มันมีสามด้านให้เรามาคุยกันคือด้านที่แสดงถึงเกี่ยวกับเรื่องบาปลูาชาวกระตรัยไว้ว่าเราไม่ทําบาป ท, ทั้งหมดทั้งมวลที่มันมีเนี่ยไม่ว่าจะกี่ชนิดกี่อย่างกี่แบบ ไม่ทำในด้านอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่าความดีพระเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่ากุศล ส, สู้ปัจจันบถาก็คือทําความดีให้ถึงพร้อมก็คือเราเราพร้อมแล้วทํานะพร้อมเท่าไหร่ทําเท่านั้นพร้อมเหมาะยังไงตอนนี้เหมาะทําอะไรก็ทำอ น, นั้นนี่นะแล้วก็ ทำให้มันครบองประกอบของผู้ที่จะพ้นทุกข์ด้วยอย่างเช่นเขาจะบอกว่าคุณธรรมต่างๆในการที่เราจะเป็นผู้ที่พ้นทุกข์ได้เนี่ยอันหลักใหญ่ใจความก็คือสติแน่นอนแต่ถ้าเรามีสติแต่เราไม่ปรารบความเพียรเนี่ยมันก็ความดีที่มันควรจะจะมีควรจะต้องมีมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีเรามีแต่สติอ ย, ย่างเดียว ถ้าเราไม่มีความเพียนสติเรามันก็งอนงอนเงียเงยไปใช่ไหมดงนั้นองค์ประกอบในการจะทำความดีให้มันไปถึงที่สุดแห่งความทุกขมันก็จะมันก็ไปได้ไม่ดีเราก็จะเป็นผู้ที่ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ลำบากคนง่ายกับคนทุกข์ยากนั่นแหละหรื อ, อเป็นคนที่ไม่อดทนมีขันติ น้อยซึ่งพระเจ้าก็ตรัสว่าเป็นคุณธรรมชั้นเลออันหนึ่งขันตีปรมังตโปติธิ่าขันตีคือความอดทนอดกลั้นเป็นคุณธรรมที่แผดเผากิเลส อ, อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่เราจะ เ, เป็นผู้ที่แก้ทุกข์ได้ดี มีความสุขในภายในได้ดีมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างมีคุณทําหลายๆอย่างที่จำเป็นอย่างเหมือนคนที่ออกกำลังกายอย่างาเหมือนนักมวยเนี่ยนักมวยเราจะต่อยให้ชนะคู่ต่อสู้เนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบนะคือนอกจากที่ทักษะในการที่รุกกับรับยังไงแล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานของนักมวย มันก็ต้องมีคืออะไรคือหนึ่งกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงใช่ไหมเพราะฉนั้นเราบอกว่าไม่เราเป็นนักมวยที่เก่งแต่เราไม่ซ้อมเลยไม่ซ้อมวิ่งเลยไม่ซ้อมกระโดดเชือกเลยอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเรามันก็ไม่ไหวปอดเรามันก็ไม่รองรับทุกคนเราจะสู้กันเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าท่าทางสวยๆและชนะ ก, กันเฉยๆไม่ใช่นอกจากจะทักษะ ท่าทางนี้มันถูกต้องในการสู้แล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานคือเรื่องของกล้ามเนื้อก็ดีเรื่องของกำลังของปอดก็ดีที่มันจะต้องแบบว่าแข็งแรงอะ่ะไม่งั้นก็ยืนระยะสู้กันลำบากความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนอกจากความแข็งแรงแล้วความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออีก ก็ไดต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เราได้ทักษะที่สมบูรณ์พร้อมในการที่จะสู้เพื่อที่จะชนะคู่ต่อสู้ก็เจีบเคียงมาเป็นกุศลสู้กุศลฆทานั่นแหละก็คือทักษะอะไรต่างๆความดีงามอะไรต่างๆในศาสนานี้เนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลมันมีเยอะแยะไปหมดเละ พระรุจ่าเคยสอนตั้ง45บปีมีคนอุปนิสัยตั้งโอ้ยแย่ไปหมดหลากหลายอุปนิสัยแต่คําสอนนี่ก็เพียงพอที่จะพาให้หมู่สัตว์เนี่ยที่ได้ยินให้ฟังเออตินตามปฏิบัติได้ได้ผลเหมือนกันแต่แน่นอนะมันเยอะเพราะมันมีหลากหลายอุปนิสัยเราก็เอาเฉพาะอันที่เราเราทำแล้วมันได้ผลดีกับจิตใจเรา อามาใช้เราไม่จําเป็นจะ ต, ต้องทาให้มันได้ทุกอันทุกบททุกบาททําอันที่มันพอเหมาะเพรา ะ, ะนั้นท่านถึงบอกว่าไม่ต้องทําทั้งหมดหรอกเอาแค่ okay. เอาให้มันถึงพร้อมก็คือพร้อมพอที่จะเอาไปสู้กับกิเลสให้มันชนะความดีต่างๆที่มีคุณธรรมต่าง ๆ, ๆที่มีก็ทําให้มันถึงพร้อมซะ ไม่ว่าจะเป็นทันติครมเพียนสัจจะปัญญาสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้มันบริบูรณ์ถึงพร้อมที่จะเวลาที่มันมารงพลังกันแล้วเนี่ยมันมีพลังเพียงพอที่จะเอาชนะกิเลสได้รู้เท่าทันแล้วก็ชนะกิเลสได้ แล้วก็อีกด้านหนึ่งในด้านที่เรียกว่าสจิตตะประโยชน์แดิปนะหาคือทำจิตใจให้มันผ่องใสซึ่งในศาสนาอื่นๆเนี่ยส่วนมากเราก็จะได้ยินว่าให้ละชั่วทำดีมันก็เป็นเบสิคใช่ไหมแต่ในศาสนาของพระพุทธ เ, เจ้าเราเนี่ยก็เพิ่มอีกข้อนึงก็คือว่ามุ่งเน้นลงไปถึงจิตใจเลยว่าต้องจากเราจะเป็นคนดีแล้วเนี่ย คือเราไม่ทาความชั่วแล้วเราทาความดีแล้วเนี่ยเราทำจิตใจให้มันผงองใสด้วยเพราะฉะนั้นเป็นคนดีอย่ามีความสุขเป็นคนดีที่เป็นคนดีที่จิตใจเราเบิกบานมีความสุขไม่เศร้ามองไม่คุนมัวอันนี้ก็คือคร่าวๆในคาสอนเราะฉะนั้นอันนี้คือกรอบใช่ไหม ถ้าเรามองในงแง่การประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็มอบเส้นทางวิธีการดาเนินที่เรียกว่าอริยมรรมิองค์แปดเอาไว้ให้แต่ถ้าว่าให้มันย่อเราไปอีกก็เหลือสามข้อที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ที่เราก็รู้ๆกันอยู่มาแลรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาอันนี้ก็คือเป็น ย่อของอริยมรรคเมืองแปดมรรคแปลว่าทางเดินนะทางเดินที่มีแปดแปดเลนนะเอกายโนไปยังพิกเวมโคทางสายเอกสายเดียวที่จะนําผู้ปฏิบัติไปถึงความพ้นทุกข์ได้มีสายเดียวเช่ น, นี้แหละเส้นที่เรียกว่าอริยมรรคเมืองแปด เป็นเส้นเดียวที่มันประกอบมีองค์ประกอบไปด้วยแปอันแต่ถ้าย่อยอห<ๆ>น่อยก็เหลือสอันก็คือศีลสมาธิปัญญาเยเพราะฉะนั้นชีวิตเราเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติข้างนอกเราก็มีศีลเป็นตัวกรอบนอกของชีวิตของเราเคือถ้าเรายังมีกรอบการดำเนินกรอบการประพฤติปฏิบัติ ที่ยังอยู่ภายในศีลได้ก็ถือว่าเรายังอยู่ในคําสอนที่พระพุทธเจ้าประทานเอาไว้แต่ถ้าเราหลุดออกจากศีลอันนี้ก็คือไม่ดีแล้วนะไม่ดีทั้งในด้านปกติก็คือมันจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจตามมาด้วยอย่างเราไปว่าเขาเราไปด่าเขาเราไปทําร้ายคนอื่นนี่มันก็มีเรื่องตามมา วุ่นวายเยอะๆไปหมดแถ้าเราเว้นจากการเบียดเบียนเบียดเบียนทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยของใครไม่เอาของที่คนอื่นไม่ได้ให้แล้วก็การมีสุภิฉาก็คือการที่เราไม่ประพฤติผิดในการม ไม่นอกใจคู่เรามีคู่ก็คู่เดียวแล้วก็ไม่เป็นคนตรงอ่ะเป็นคนไม่กลับกลอกไม่พูดจาตลบตะแหงไม่ว่าใครไม่ด่าใครไม่โกหกใครแล้วก็ข้อสุดท้ายใช่ไหมสุรามีระยะซึ่งถามว่ากินเหล้ามันเป็นบาปไหมมันก็ ในตัวบาลีเขาใช้คำว่าสุราใช่ปหะก็คือเหล้าใช่ไหมมมไเมรัยเ็นน้ำเมาสุรามีระยะมัชมชะ ก, ก็คือของเมาเครื่องดองของเมาแล้วก็เป็นปัมมาทัานาก็คือเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นที่ตั้งของความประมาทเพราะฉะนั้นการที่เรา เสียไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราประมาทพอเราประมาทแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เราก็ทําได้หมดแหละงั้นการที่ที่เรามัวมองประมาทเนี่ยมันก็ทําผิดเสียได้อีกเยอะแยะอีกหลายข้อเลยหรือแม้แต่ทําอะไรไม่ดีไม่ดีต่างๆมันทําได้ง่ายเขาเรียกว่าคนโบราณเขาเรียกว่าน้ําเด่นนิสัยใช่ไหม จากคนที่อาจจะไม่กล้าทํานู่นมีมีนั่นไม่กล้าทําอะไรเลยครับกินไอั น, นี้เข้าไปปุ๊บโอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอะไรที่ไม่กล้าทําก็ทําได้มันในหนังนะเวลาที่เขาจะเหมือนกับไปทําไม่ดีอะไรสักอย่างก็ต้องเอาเล่าเข้าปากก่อนให้มันกึมๆึมซะก่อนจะได้กล้า แต่กล้าแบบนี้ไม่ดีเพอะกล้าไปในทานําในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพอมันมีความมัวเมาแล้วมีความเมาแล้วเนี่ยมันประมาทแล้วเนี่ยก็ฆ่าสัตว์ได้แล้วก็ต้องใจคู่ได้โกหกก็ได้ลักของของใครก็ได้ชอบโกงก็ได้อันนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็ฆ่าเนี่ยงมันจะ ตัวการกินมันไม่เป็นบาป ก, ก็จริงแต่มันนำพาเราให้เราทาบาปได้อีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นท่านก็จึงบอกว่านั้นก็งดเว้นซะชีวิตเราก็จะได้เป็นปกติปกติของคนดีนะเพอเรามีความเป็นปกติทางการประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยแน่อนอนแหละมันก็จะต้องยังมีความทุกข์ที่มันตกค้างหรือทุกข์ต้องจิตใจได้อยู่อย่างเช่น เบื่อเศร้าเหงาเซ็งอย่างนี้เป็นต้นถึงเราจะปรับเติตัวเป็นคนดียังไงก็แล้วแต่แต่มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่เราจะต้องเจอเปื่อเศร้าเหงาเซ็งเราต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นทุกข์าำใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เป็นเรื่องของใจใช่ไหมเราก็มาฝึกหปฏิบัติจิตใจการมีสติ คอยคุ้มครองจิตใจการมีสติคอยกากับใจให้ใจเราเนี่ยอยู่กับเครื่องอยู่อันใหม่ที่ดีคือลมหายใจก็ตามหรือพุโทโธก็ตามเนี่ยมันทำให้ใจของเราได้ตดนปรับสภาพได้ให้อาหารใหม่ๆได้มีสุขภาพใจใหม่ๆที่มันดีขึ้นมีผลก็คือใจเราก็อิ่มพอ ผ่องใสเยือกเย็นสงบระงับได้แต่พะมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมันก็ยังไม่ขึ้นชื่อว่าจบงานนะเพราะอะไรเพราะการที่เราออกจากสมาธิอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอารมณ์สงบก็ตามอารมณ์อิ่มพอก็ตามการที่เราออกจากสมาธิเราไม่ได้มีสติกํา ก, กับใจอยู่เราไม่ได้ทรงไว้อย่างนี้ อาราณ์เดื่อเร้าเอาาเสงมือกลับเข้ามาใหม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหน้าที่อีกอันหนึ่งก็คือเราก็ต้องเอาความสมุขที่มีเนี่ยมาพิจรารณาความเป็นจริงของโลกใบนี้ด้วยพอเราเข้าใจถึงความเป็นจริงของโลกใบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ง่ายขึ้นเงื่อนไขความสุขก็ซับซ้อนน้อยลง อย่าถึงความไม่มีสาระเก่ยนสารในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมันมีสาระแก่ยนสารน้อยหรือมีสาระเก่ยนสารมากหรือว่ามีสาระแก่ยนสารจนแบบข้ามภพข้ามชาติไปได้พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ถึงเขาเรียกว่าเกิด ความพอเห็นถึงความไม่มีสาระยันสารได้เนี่ยมันจึงทำให้เกิดความความหน่ายไม่ใช่ความเบื่อนะไม่ใช่เบื่อหนานเบื่อเซ็งอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่เป็นเกิดความหน่ายความน่ายเพราะว่าเราไม่ได้มีสาระอะไรกับมันมันไม่มีค่ากับการที่เราจะไปปลูกใจไว้เราก็จะเกิดความหน่ายคลายกําหนักเกิดความที่ เราไม่ไปยึดมั่นไม่ถือมั่นเพราะมันไม่มีไม่มีค่ากับการที่เราจะไปยึดมั่นถึงมันอะไรพอมันเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางได้ง่ายพอมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่มีเครื่องที่มันจะมาขูดใจเราได้ง่ายๆเหมือนเหมือนแต่ก่อนพอมันไม่มีความยึดความถือสิ่งที่มันก ร, กระทบใจเรามันก็ ไม่ไม่มากเท่าเก่าไม่เยอะเท่าเก่าหรือไม่รุนแรงเท่าเก่าอันนี้ก็เป็นกรอ บ, รอบข้าวคราวใช่แต่พอเราลงในรายละเอียดในหนึ่งวันของเราเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันของเราเราต้องประกอบไปด้วยสกิที่เป็นไปเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นไปเพื่อความหน่าย กำเนิดเป็นสติที่เรียกว่าสัมมาสติเป็นไปเพื่อความหนายความคลายกำเนิดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพานดูแล้วเป็นไปแย่ๆไปหมดแต่จริงๆแล้วคืออันเดียวนั่นแหละมีสติที่คอยรู้เท่าตันจิตใจใจเปลี่ไปคิดก็รู้ดึงกลับมา ใเพลยอไปทั้งสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เด้งกลับมาอย่างนี้เป็นต้นพอเป็นอย่างนี้เพิ่มอันนี้คือการงานที่เราจะแทรกมันลงไปในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละแล้วเราก็มาแบ่งเวลาเวลาไหนเราทำได้ง่ายเวลาไหนเราทำได้ยากใช่ป่ะเวลาที่ตื่นมาตอนเช้าไม่ยุ่งกับใครทำได้แน่ๆทำได้ไง่ายๆไม่มีคนกวนอันนี้ เราก็ยึดไว้ก่อนเลยก่อนนอนเหมือนกันก่อนนอนมันก็เป็นเวลาที่เราจะอยู่คนเดียวเพราะเราจะนอนแล้วไงก็ไม่มีใครกวนเพราะฉะนั้นเราก็จับเต็มได้เลยช่วงนี้ก่อนนอนได้อีกหนึ่งช่วงเป็นเวลาของเราโดยแท้ซึ่งในระหว่างวันอาจจะมีเวลาที่ทำงานมันก็จะยากหน่อยอันนี้ก็ค่อยๆไปก็อย่างที่บอกไปว่า เราไม่ได้อยู่กับการงานแบบตลอดทุกๆขณะทุกๆวินาทีหรอกเราก็จะต้องมีวินาทีที่มันเปลีย อ, ออกจากงานบ้างแต่ทุกๆครั้งที่มันเปลีย อ, ออกจากการ ง, งานเราเก็บมันมาไว้ที่พุโทโธเก็บมันมาไว้ที่เร า, าหายใจย้อนใจกลับเข้ามาข้างในหรือแม้แต่ว่าเรากำลังทำงานแล้วเราก็รู้สึกแบบอยากจะพักใจนิดนึงรู้สึกมันเครียด ร, รู้สึกมันเหนื่อย เราก็แทนที่เราจะเอาไปถ่าย Facebook ดู YouTube หรือเอาไปคุยกับเพื่อนอย่างเี้ยเราอาจจะพักใจที่ 2-3 สาลมหายใจก็ได้หัตาแล้วเราก็ย้อนใจกลับมาที่ลมหายใจได้สัก 2-3 สาลมหายใจก็ดีกว่าไม่มีเลยใช่ไห ม, มรเราก็เหมือนกับหยอดกระปุกอ่ะหยอนทีะบาทสบาท หยดร้อยค่งมันก็ได้ร้อยบาทใช่ไหมล่ะก็ค่อยๆต่ อ, อ, ตอมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่มันจะไม่เหมือนเงินตรงที่ว่าเงินหยอดแล้วก็คือเป็นตัวเงินนั่นแหละแต่นนี้หยอดแล้ว่ะเราได้อีกการหนึ่งก็คือว่าอืถ้าเปรียบเทียบเป็นการหยอดเราก็จะหยดได้บ่อยขึ้นทุกๆครั้งที่เราหยอดลองไปมันก็จะมีเขาเรียกว่า ความเคยชินความคุ้นชินได้สั่งสมนอกจากจะสัส่งสมสติแล้วเนี่ยมันสังสมนิสัยด้วยนิสัยของใจอันไหนเราก็จะมีนิสัยที่สัมมาสติของเราจะเกิดขึ้นเรื่อยๆขึ้นกว่เาเก่าแล้วยิ่งเวลาที่เราพักแล้วเนี่ยไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายง่ายกว่าตอนทำงานแน่นอนตอนที่เราอาจจะไป อะไรนะกินข้าวทำเย็นหรือไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยตอ น, น้มันก็เป็นเวลาที่เราจะใส่ลงมันได้เยอะขึ้นกว่าตอนทำ ง, งานแน่นอนกินกินไปใครจะมารู้ว่าเรากำลังดูโลมาหายใจอยู่กินข้าวไปใครจะมารู้กับ เ, เราว่าเรากำลังเห็นร่างกายอันนี้มันกำลังกินอ ย, อยนู่ไม่มีใครรู้กับเราเหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติทำอย่างไม่ได้เก้อเขินอะไร เราไม่ได้มียี่ห้อมาแปะบนหน้าขาเว่าฉันเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมอยู่ฉันกําลังดูแลจิตใจอยู่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ทําตัวตามปกตินั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็เสริมการดูแลจิตใจควบคู่ไปด้วยแค่นั้นเองแล้วพอคนที่ปฏิบัติธรรมได้ชานานบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาปฏิบัติธรรม ถ้าเาตาไปดูเพื่อจะแยกแยะว่าคนนี้ปฏิบัติอยรือไม่ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้นะมันจีตอบไม่ได้หรอกเขาก็เนียนเนียนไปพอคนปฏิบัติทำเขาก็ไม่ได้อยากให้ใครมาจ้องว่าเออคนนี้ปฏิบัติทำนะเขาก็ไม่ได้อยากให้คนมารู้สึกอย่างนั้นหรอกเขาก็รู้สึกถึงความเป็นตัวธรรมดาธรรมดาเลยฉันก็ใช้ชีวิตปกติแค่ น, นั้นเองฉันได้ฉันนั้นเราก็เหมือนกันเราก็ทํา ชีวิตให้มันปกตินะเราก็รักษาใจไปด้วยที่พุทโธที่ลมหายใจแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปในภายนอกที่ควรจะเห็นนะนี่จะม่ได้เปลี่ยนอะไรไปแล้วก็ปกติปกติกินข้าวได้เหมือนคนปกติสนุกได้อย่างคนปกติ น, นะแต่เราก็จะมีอันหนึ่งที่เสริม้ามาคือ รู้จักหยุดในเวลาที่ควรหยุดรู้จักพอในเวลาที่มันจะเกินเลยอันนี้มันจะเป็นตัวเสริมมาเดี๋งคนไ่ออกกําลังกายเข้าฟิตเนสเนี้ยนะวิง่งหรือว่าเดินเนี้ยที่วัดที่วัดก็มีเครื่องหนึ่งเป็นลูวิง่งอดีต ท, ที่เ็ซื้อมาแล้วก็เอามาทิงไว้บอกว่าเดี๋ยวผมก็มาใช้ด้วย ที่วัดพระก็จะได้ใช้ด้วยก็ไปหามุมมุมสักมุมหนึ่งทิ้งไว้แรกๆ ก, ก็เหยดีอดีเงนินนะคนก็ใช้เต็มเลยตอนนี้กลายเป็นวางของไปแล้วแต่ตามที่ไปเดินรู่วิ่งเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะเดินด้วยอาการไหนของใจใช่ป่ะแต่บางาคน เดินไปเดินไปก็ฟังเพลงไปก็มีอย่าบางคนเดินเดินไปวิ่งไปบนลู่เงี้ยก็เปิดมือถือดูหนังไปด้วยก็มีอย่าบางคนคุยกับคนข้างๆก็มีก็มีหลากหลายอันนี้ก็คือมันมันมีสิทธิ์ที่เราจะเลือกใช้อะว่าเราจะวางใจไว้อย่างไรใช่ไหมอย่างถ้าเราเรื่องที่เราจะรักษา ดูแลหรือฝึกจิตใจให้มันควบคู่กันไปด้วยเนี่ยเราก็เอาสติของเรานั่นแหละมาคอยดูการออกกำลังทายของเราเดินไปเราก็ดูมันเดินมีสติอยู่กับลมหายใจมีสติกับพุดโตแล้วก็เดินไปเดินไปวิ่งไปมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเราก็ทำได้อย่างคุงค่าเพราะงานภายนอกกับงานภายในจริงๆมันไปคู่กัน มันควรจะต้องไปคู่กันตราบใดที่เรามีลมหายใจทุกๆขณะของการหายใจของเราเราก็ค่อว่าเราจะได้ดูแลรักษาจิตใจเราไปด้วยทำอะไรไปเราก็ดูแลไปด้วยทุกๆลมหายใจของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะกลมกลืนธรรมะชีวิตของการปฏิบัติธรรมของเรามันก็จะกลมกลืนไปกับชีวิตปกติที่เรามี แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเราก็จะมีภาวะทางอารมณ์ภาวะทางจิตใจที่มันค่อยๆมีความก้าวหน้าทางจิตใจมากขึ้นก็คือสัด ส, ส, สายน้อยลงหรือตั้งมั่นมากขึ้นเวลาที่มีเรื่องกระทบ ก, กระเตือนผ่านมาทางตาทางหูทางความคิดเราก็สัดสายน้อยลง ใจเราตั้งมั่นมากขึ้นมีอารมณ์ที่มันเสถียรมากขึ้นแล้วก็เป็นอารมณ์ใจที่มันเยือกเย็นผ่องใสเบิกบานได้ไีขึ้นอะไรนั้นกลับไปแล้วก็อย่าลืมที่จะเอาไปใช้ให้มันก็เรียกว่าตรงกลง่อมกับชีวิตของเราเราไม่ได้ทําอะไรเยอะอย่างที่บอก อยู่ที่ลมหายใจของเราเองอยู่ที่ปลายจมูกของเราเองอยู่ที่เฉพาะหน้าของเราเอง